คุณวิโรดปัญจบุรีนะคะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2529ในเวลากลางคืนทันทีที่สิ้นชีวิตค่ะวิญญาณของเขาเองก็ได้มาปรากฏกายที่วัดอัมพวันมากราบนมัส ก, การหลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโมโดยแสดงกายหยาบให้เห็นเช่นคนธรรมดาต่อหน้าพยานรู้เห็นซึ่งนั่งอยู่ณบริเวณ น, นั้น เหตุหาสจารย์ที่เกิดขึ้นณวัดอัมพวันที่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นปรากฏการณ์นอกเหตุเหนือผลในทางโลกแต่ว่าในทางธรรมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะ แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าความมหัศาจรรย์อันเหลือเชื่อก็คือสาระประโยชน์ซึ่งเป็นที่มาของเหตุอัศาจรรย์นั้นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือสิ่งที่ล้ำค่าที่จะมาจุดประกายให้เกิดสติระลึกรู้นะคะว่าการมีชีวิตในชาติภพนี้ควรดํารงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อตัวเองต่อสังคมมากเพียงไร นายวิโรธปัญจับุรีเกิดเมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2503ที่บ้านเล็กที่91ทับ1ถนนประตูชัยจังหวัดพะเยาค่ะโดยเป็นบุตรของนายวิรัตนางมอนแก้วปัญจับุรีนะคะและก็มีพี่น้องร่วมท้องกันทั้งหมด4คนค่ะนายวิโรธเป็นคนที่2สำหรับการศึกษาจบสายสามัญจากโรงเรียนพะเยา ว, วิทยาคม ในปีพุทธศักราช2520าค่ะแล้วก็ได้ศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูเชียงรายได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิชาเอกพลศึกษาเมื่อปี2524แล้วก็ได้รับปริญญาค ร, รุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอกพลศึกษาเมื่อวันที่2มีนาคม2526คุณวีโรดปัญจ บ, บุรี มีที่มาอันเรียบง่ายเป็นคนที่มีอุปนิสัยแจ่มใสร่าเริงไม่สร้างความเดือดร้อนหรือว่าความทุกข์กังวลให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไม่เคยข้องแวะกับสิ่งเสพติดมึนเมาไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่ เป็นมนุษย์ผู้มีสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นกาลยานามิตรต่อทุกคนที่คบหาและนี่คือพื้นฐานชีวิตของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งดําเนินไปเป็นจังหวะเป็นขั้นเป็นตอนไม่เคยพบอุปสรรคอย่างรุนแรงที่ทําให้เกิดความเศร้าหมองต่อจิตใจแล้วก็ไม่ใส่ใจที่จะเข้าไปสู่มุมหักเหของชีวิตวัยรุ่นนะคะซึ่งนิยมทดลองพวกสิ่งมึนเมาต่างๆ ต, ต้องการความสนุกสนานอย่างไร้ขอบเขตมีความฮึกเหิมลำพองในทางที่ผิด ตั้งแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆขึ้นไปเรื่อยๆค่ะที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อเริ่มเป็นหนุ่มวัยรุ่นเป็นนักเรียนมัธยมปลายคุณวิโรธเนี่ยมีความสัมพันธ์ด้านความรักกับนักเรียนหญิงวัยเดียวกันชื่อว่าคุณกัลยาภูลสวัสดิ์ความรักระหว่างเด็กหนุ่มเด็กสาวคู่นี้ก็เป็นไปในขอบเขตของขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะ ทีนี้ในเดือนตุลาคม2525 25, สภายุวพุทธิกะสมาคมแห่งชาติก็ได้จัดให้มีการอบรมและก็มีการพัฒนาจิตใจผู้แทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่วัดอัมพวันอําเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นเวลา7วันเต็มค่ะคุณวีโรธซึ่งขณะนั้นเป็นนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงรายก็ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนนักศึกษามาเข้าค่ายอบรมพัฒนาจิตใจด้วยคนหนึ่ง ขณะที่มาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่วัดอัมพวันโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจาร์นะคะหรือว่าหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมเป็นผู้ให้การอบรมคุณวิโรน์ก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงจังต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างยิ่งยวดแล้วก็ได้รับผลในการปฏิบัติ ด, ด้วยความปิติแต่ก็ยังไม่เต็มอิ่มเต็มที่ทีนี้หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมคุณวิโรน์ก็กลับไปศึกษาเล่าเรียนตามปกติค่ะ จนกระทั่งจบการศึกษาแล้วก็ได้รับพระราชทานปริญญาโดยลำดับคุณวิโรธสอบเข้ารับราชการครูได้แล้วแต่ก็ยังไม่เรียกเข้าบรรจุในระหว่างที่รอคอยการเรียกบรรจุเข้ารับราชการอยู่นั้น อาจารย์สมเด็จมุงเมืองซึ่งเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงพ่อจรันนะคะได้เป็นผู้ริเริ่มประสานงานจัดให้มีการอบรมพัฒนาจิตใจของผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงรายในานามยุวะพุทธทิกะสมาคมแห่งชาติตั้งในระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม2526ที่วัดอัมพวันซึ่งทางวัดอัมพวันเนี่ยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัท่านเองก็ไม่ขัดข้องนะคะ อาจารย์สมเด็จมุงเมืองได้ชวนคุณวิโรธมาเข้าค่ายอบรมพัฒนาจิตใจในครั้งนี้ด้วยในฐานะวิทยากรควบคุมดูแลค่ายอบรมพัฒนาจิตใจเพราะว่าคุณวิโรธเคยมาอบรมแล้วครั้งหนึ่งในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาซึ่งคุณวิโรธก็ยินดีรับคำชวน ไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณวิโรธเองยังไปชวนคุณกัลยาให้มาอบรมปฏิบัติกรรมฐานด้วยกันแต่ว่าคุณกัลยาไม่สนใจบอกคุณวิโรธว่าคุณไปก่อนเถอะเอาไว้ฉันแก่คราวยาคุณเมื่อไหร่หรือว่าคุณยายเสียก่อนฉันถึงจะไป น่าเสียดายนะคะที่คุณกัญญาคิดเช่นนั้นซึ่งสว่าไปแล้วหนุ่มสาวส่วนใหญ่ก็มักคิดเหมือนกันค่ะว่าการไปวัดสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศฟังธรรมหรือว่าไปปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องคร่ําครืน่าเบือ่อนายก็เลยเหมาไปให้ผู้เท่าผู้แก่ควรเป็นผู้ไปวัดเท่านั้นหรือคิดว่าที่กัญญาคิดก็คือรอให้มีอายุมากสักหน่อยเถอะให้ถึงวัยแก่วัยเท่ามากกว่านี้จึงอยากจะไปเข้าวัดไปอบรมจิตไปสร้างกุศล แต่ก็หมดโอกาสที่จะกระทรรมอย่างที่คิดเช่นเดียวกันกับกัะยาผู้นี้ค่ะในวันที่16ตุลาคม2 5 2 6ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองพะเยาก็มีการแข่งขันบาสเกตบอลคุณวิโรจน์นี่ได้ชวนกัญยาไปดูการแข่งขันครั้งนี้โดยการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปด้วยกันกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้นเวลาก็ล่วงเลยเข้าไปมืดค่าทั้งสองก็เลยพากันกลับโดยคุณวิโรจน์นี่เป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์ คุณกัญยานั่งซ้อนท้ายมาตามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ถนนสาย น, นี้มีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งอันตรายเพราะว่า2ฟ้ากทางเป็นป่าและเมะเปลี่ยวแล้วก็เป็นเนินเขาด้วยคุณวิโรธก็เคยเตือนน้องๆเสมอะะว่าอย่าขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านถนนช่วงนี้ตอนกลางคืนนะเพราะว่ามันไม่ปลอดภยัยแต่ว่าตัวของคุณวิโรธเองกลับเดินทางผ่านเส้นทางอันตรายนี้ในเวลามืดค่ำโผลเพลซเอง ขณะที่คุณวีโรดขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมีคุณกัญยาซ้อนท้ายมาถึงถนนช่วงดังกล่าวนะคะก็มีรถกระบะคันนึงค่ะวิ่งมาตามหลังด้วยความเร็วสูงเป็นลักษณะาการวิ่งของรถปิกอัพหรือว่ารถกระบะที่สายไปสายมาคล้ายกับผู้ที่ขับขี่บังคับรถกำลังเมาสุราพอรถกระบะนะฮะทะยานมาถึงรถ จักรยานยนต์ของหนุ่มสาวสองคนก็พุ่งเข้าชนด้านหลังเต็มเหนี่ยวค่ะรถจักรยานยนต์กระเด็นออกไปจากผิวถนนพร้อม ก, กันกับร่างของคุณวิโรธและก็คุณกัลยากระเด็นกันไปคนละทางแทนที่รถกระบะคันนั้นจะรีบหยุดให้การช่วยเหลือไม่ค่ะรถคันนี้กลับเร่งความเร็วหลบหนีไปทันที คุณวิโรจน์นั้นเสียชีวิตคาที่โดยกะโหลกศีรษะแตกช่องท้องฉีกขาดลำไส้ทะลักออกมากองอยู่ที่พื้นส่วนคุณกระละยาบาทเจ็บสาหัสหมดสตินะคะกว่าจะมีผู้มาพบเห็นเหตุการณ์ก็ผ่านไปนานทีเดียวทีนี้ในวันที่16ตุลาคม2526 ในวันเดียวกันที่วัดอัมพวันค่ะก็มีการอบรมพัฒนาจิตใจนักศึกษาวิทยายลัยครูเทพสตรีลบบุรีเป็นวันสุดท้ายเมื่อปิดการอบรมแล้วคณะนักศึกษาแล้วก็คณอาจารย์ก็เดินทางกลับนะคะซึ่งก็เป็นเวลามืดค่ามากพอสมควรหลังจากคณะนักศึกษาแล้วก็อาจารย์วิทยายลายัยครูเทพสตรีกลับกันไปหมดแล้วหลวงพ่อจรรนก็ให้ทําความสะอาดศาลาประชุม ซึ่งเวลานั้นมืดค่ําไปนานแล้วหลวงพ่อจรรนก็ได้นั่งดูแลเป็นประธานอยู่ด้วยผู้ที่มาทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูก็มีอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็พระบวชใหม่หลายรูปค่ะในจํานวนนั้นก็จะมีพระเนวะกะแล้วก็มีพระอยู่รูปหนึ่งเพิ่งสําเร็จปริญญาตรีมาหมาดๆนะคะแล้วก็อีกรูปหนึ่งซึ่งสําเร็จปริญญาโทแล้วก็กําลังจะไปทําปริญญาเอกที่อเมริกา เจตนาที่มาบวชเพียงแค่ต้องการสถานที่สงบสงัดเพื่อให้เกิดสมาธิเวลาดูหนังสือตำรับตำราเป็นสำคัญค่ะหลวงพ่อก็แนะนำให้เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่สนใจซึ่งท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปบังคับไปข่มขืนจิตใจกันศาลาประชุมขณะนั้นยังไม่มีพรมนะคะซึ่งก็ยังเป็นปูนอยู่ ที่มีพรมปูในเวลาต่อมาเพราะว่าคุณแม่สิริกรินชัยเนี่ยคะแล้วก็คณะโยมยุวพุทธิกะสมาคมร่วมกันบริจาค ก, ก็ใช้เสื่อปูเต็มพื้นที่ค่ะวางเก้าอี้เรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากใช้งานแล้วก็ต้องเก็บเก้าอี้เก็บเสื่อและแล้วนะคะคุณวิโรธปัญจักรีก็มาที่วัดอัมพวันค่ะมาปรากฏตัวตรงหน้าหลวงพ่อจรันทิตาธรรมโมซึ่งกําลังอยู่ในศาลาประชุมในเวลานั้น ไม่มีใครในศาลาประชุมรู้เห็นนะคะว่าคุณวิโรธเข้ามาในศาลาเมื่อไรและเข้ามาทางใดเพราะว่าอยู่ๆคุณวิโรธก็มานั่งคุกเข่าเรียบร้อยต่อหน้าหลวงพ่อพร้อมกับก้มลงกระดาบเบญจังครประดิษฐ์3ครั้งค่ะกราบแล้วก็กล่าวถวายรายงานเสียงดังฟังชัดกระผมวิโรธครับมาจากเชียงรายหลวงพ่อจำผมวิโรธได้ไหมครับ หลวงพ่อจรันก็นึกไม่ออกค่ะเพราะว่านักเรียนนักศึกษาที่มาอบรมพัฒนาจิตใจที่วัดอัมพวันนี่มีจำนวนมากมายเหลือเกินแต่ท่านก็ตอบไปเพื่อไม่ให้เสียกําลังใจว่าก็คลับคล้ายคับคลานะเธอมีประสงค์อะไรละ่ะผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไงครับจะมาอบรมครับ ผมเคยมาอบรมพัฒนาจิตใจครั้งหนึ่งแล้วเคยมานั่งเจริญสติปัฏฐาน4ี่แต่นั่งน้อยเกินไปกลับไปบ้านผมก็ไปนั่งต่อมาคราวนี้ผมก็บอกอาจารย์สมเด็จมุงเมืองเอาไว้ว่าต้องมาแน่นอนถึงอย่างไรก็ต้องมาให้ได้ผมก็เลยไปชวนแฟนมาด้วยแต่เขาไม่มาผมก็เลยต้องมาคนเดียว คราวนี้หลวงพ่อจะรันนึกออกทันทีค่ะจำได้ว่าอาจารย์สมเด็จมุงเมืองจะนำคณะนักศึกษาวิทยาลัยครูที่เชียงรายเนี่ยมาเข้าค่ายรับการอบรมพัฒนาจิตใจก็เลยถามว่าทำไมเธอมาก่อนกำหนดละ่ะเขาจะมากันวันที่21ตุลาคมนู่นนี่พึ่งวันที่16เองทำไมรีบมาผมได้ตายแล้วครับผมตายวันนี้ถูกรถชนตายผมก็รีบมาก่อนเอาการะเป๋ามาครบครับคุณวิโรตอบชัดเจนค่ะได้ยินกันทั้งศาลา พระปริญญาตรีปริญญาโทพอได้ยินว่าผมได้ตายแล้วครับแค่นั้นแหละถึงกับหยุดกวาดพื้นวางไม่กวาดแล้วรีบเข้ามานั่งใกล้ๆหลวงพ่อจรันพระองค์อื่นๆกับอุบาสกอุบาสิกาที่กำลังช่วยกันทําความสะอาดก็หยุดพร้อมกันนะคะมานั่งเรียงกันเป็นหน้าสลอนเลยทีเดียวหลวงพ่อเพิ่งสังเกตเห็นค่ะว่ามีกระเป๋าสองใบาวางอยู่ใกล้ๆตัวของวิโร์ กระเป๋าใบหนึ่งนี่คงใส่เสื้อผ้าอีกใบหนึ่งมีลักษณะคล้ายเป้ใส่กระติกน้ำไว้เห็นชัดแล้วคุณวีโรธนะคะก็เล่าถวายหลวงพ่อค่ะว่าเขาเนี่ยถูกรถชนตายอย่างไรเขากับแฟนซ้อนรถมาด้วยกันแล้วถูกชนตรงไหน ตอนที่ตายแล้วยังมีสติดีก็เลยยืนดูสังขารที่แตกหกักถูกทำลายไปแล้วก็หัวก็เละไส้ทะลักออกมากองจนกระทั่งศพเนี่ยถูกนำไปตั้งอาบน้ำศพตามประเพณีจนถึงบรรจุโงเขาก็ตามดูตลอดนะคะหลวงพ่อก็เลยถามว่าเอา้าแล้วคุณมายังไงไม่ได้ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้สงสัยนะะี่ะเป็นคำถามที่แบบเรียบเรียบนิ่ง คุณวิโรจน์นฮะที่เป็นวิญญาณในขณะนั้นก็เลยตอบว่าผมตั้งใจครับหลวงพ่อมุ่งว่าจะมาที่นี่เลยอาจารย์สมเด็จจะให้ผมเป็นวิทยากรควบคุมนักศึกษาแล้วก็เอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษอีกด้วยแต่ว่าพอดีผมถูกรถชนตายจิตวิญญาณก็เลยมาถึงนี่เลยเพราะผมตั้งใจจะมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่นี่คุณน่าจะอยู่ที่โรงศพทาไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะไม่จริงหรอกครับ ที่ว่าวิ ญ, ญญาณคนตายอยู่ที่โรงศพจะสวดก็บอกคนตายจะกินก็บอกคนตายอย่าไปเชื่อไม่จริงทั้งนั้นคราวนี้ค่ะทั้งพระบวชใหม่บวชเก่าแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาต่างพากันขยับเข ย, บ, ขยบเข้าใกล้หลวงพ่อเขาไปอีกค่ะพยายามมองคุณวิโรธอย่างไรก็ไม่เป็นผีนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นคนค่ะเป็นคนแบบชัดเจนปกติทุกอย่างหลวงพ่อครับวิ ญ, ญญาณไม่อยู่ฟังหรอกครับ สวดให้ญาติพี่น้องฟังสวดให้คนเป็นฟังแต่ว่าวิญญาณเนี่ยไปสู่สถานที่แน่นอนคิดดีก็ไปทางดีคิดไม่ดีก็ไปทางที่ไม่ดีแต่กระน้ผมคิดมาที่นี่ก่อนนานแล้วและตั้งใจมาปฏิบัติต่อเพราะคราวที่แล้วปฏิบัติเต็มที่เพียงสองคืนเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นวิทยากรมาผสมมากมายการปฏิบัติก็เลยน้อยลงไปแต่ผมก็ซึ้งใจแล้ว คุณวิโรธพูดจาสะสารนะคะแต่ว่าก้มหน้าก้มตาไม่มองใครค่ะแล้วเขาก็พูดขึ้นอีกบอกว่าหลวงพ่อครับผมอ่อนใจเหลือเกินหลวงพ่อหาที่พักให้ผมด้วยเถอะครับกระผมพักที่ไหนได้ครับหลวงพ่อจันก็เลยบอกทางให้นะฮะบอกไปดูเอาเถอะนะกุฏิข้างโบสล่องไปทางใต้นั้นเลยที่ไหนว่างก็พักตามสบายหลวงพ่ออนุญาต พระเก่าที่นั่งติดกับหลวงพ่อรีพนมมือบอกค่ะบอกหลวงพ่ออย่าให้พักกุฏิผมนะส่วนพระปริญญาตรีคิดไปไกลนู่นค่ะกราบเรียนถวายหลวงพ่อบ้างบอกผมไม่เชื่ออาจจะเป็นคนติดยาเสพติดอาจหลอกลวงเราขอพักแล้วก็มาลักขโมยของในวัดก็ได้นะครับแต่ว่าคุณวีโรธไม่สนใจใครนีคะก็ยังถามหลวงพ่ออีกว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อทราบไหมครับว่านักศึกษาจะมาเมื่อไหร่ หลวงพ่อจรันก็เลยเอื้อมมือไปหยิบเอกสารหมายกำหนดการมาดูให้แน่ใจแล้วก็บอกคุณวิโร์ว่า5้าโมงเย็นเขาจะมาทานอาหารเย็นกันที่นี่หลวงพ่อครับเชื่อผมไหมต้องมาดึกหลวงพ่อก็เลยบอกอ้าวเพราะอะไรล่ะคุณวิโร์บอกเชื่อผมเถอะเขาจะไปดูเขื่อนจังหวัดตากพานักศึกษาไปเป็นร้อยๆคนกว่าจะมาถึงเนี่ก็มืดค่า ขอหลวงพ่อกรุณาได้บอกแม่ครัวด้วยบอกอย่าเพิ่งทําอาหารเลยทํามืดๆเถอะกับข้าวร้อนๆดีเขาจะได้ทานอร่อยๆถ้าทําตอน5้าโมงเย็นเนี่ยข้าวปลาบูดหมดหลวงพ่อเชื่อผมเถอะเขาจะมาดึกเขาจะดูเขื่อนที่จังหวัดตากก่อนคุณวิโร์ยังพูดย้าเป็นครั้งสุดท้ายอีกไะว่าเชื่อผมเถอะครับผมแน่นอนกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมอ่อนใจเหลือเกินผมขอพักก่อนหลวงพ่อเรียกใช้ผมได้นะครับจะให้ทําอะไรก็บอกนะครับ คุณวิโรธกราบ3ครั้งค่ะเรียบร้อยแล้วเขาก็กราบเสร็จก็เอากระเป๋าเป้ใหสะพายบ่านะคะแล้วก็คว้ากระเป๋าหิ้วเดินออกไปคราวนี้ทุกคนที่อยู่ในศาลาประชุมก้มลงมองดูทันทีขณะที่วิโรธเดินตัวตรงค่ะไม่มองซ้ายมองขวาไม่สนใจใครแม้แต่หลวงพ่อก็ก้มลงมองดูเหมือนกันเพราะอยากจะพิสูจน์ดูนะคะว่าเป็นคนหรือว่าเป็นผีกันแน่ ปรากฏเนี่ยคะว่าคุณวิโรจน์เนี่ยเดินฝ่าเท้าไม่ติดพื้นค่ะลอยอยู่เหนือพื้นประมาณหนึ่งนิ้วพอออกไปถึงบริเวณที่สร้างวิหารหลวงพ่อโตซึ่งขณะนั้นเป็นที่ว่างยังไม่ได้สร้างวิหารเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีคุณวิโรจน์ก็หายวับไปคราวนี้แหละค่ะพระที่อยู่กับหลวงพ่อในศาลาประชุมนี่พากันวิ่งไปเปิดกุฏิดูเพื่อตามหาวิโรจน์รวมทางแม่ชีก็พลอยแตกตื่นไปดูที่กุฏิฝ่ายแม่ชีบ้าง ก็ไม่ปรากฏร่างของคุณวิโรธหรือว่ากระเป๋าเป้ใส่ของอยู่ที่ไหนเลยเรื่องที่วีโรธมาปรากฏตัวต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยเป็นการอ่าแล้วก็พูดจาสนทนาเป็นเวลานานถูกวิพากวิจาร์แทบไม่เป็นอันหลับอันนอนกันเลยละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพระปริญญาตรีพระปริญญาโทก็เข้ามากราบนมัสการหลวงพ่อจันททั้งคู่ก็กราบเรียนถามหลวงพ่อบอกว่ารับกรรมฐานไปปฏิบัติจะทาอย่างไรครับ กระผมมาอยู่หลายวันแล้วยังไม่เอาเหนือเอาใต้ยังสู้ผีไม่ได้ต้องแข่งกับผีซะแล้วหลวงพ่อก็เลยแนะนำวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้พระบวทใหม่2รูปเนี่ยไปปฏิบัติซึ่งทั้งสองได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสำรวมเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติค่ะ สำหรับเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปพระเดศพระคุณพระเทพสิงหบุรอาจารหรือว่าหลวงพ่อจรัมอาทิตะธรรมโมนะคะก็ได้บรรยายไว้โดยพิสดารกราบนมำมศ ก, การนะคะขออนุญาตนํามาเล่าไว้เป็นลําดับดังนี้ค่ะต่อมาถึงวันที่นักศึกษามาวันที่21ตุลาคม2526พอเวลา18บแนาฬิกาไฟฟ้าดับหมดเลยที่อื่นไม่ดับดับเฉพาะที่วัดอัมพวันที่เดียวและตอนนั้นสุนัขในวัดก็ไม่มีเลย ไม่รู้มาจากไหนหอนทั้งคืนยันรุ่งอาตมาก็ให้พระนี่เอาเทียนไปจุดตามห้องน้ำห้องซ่วมใช้เทียนไขเพราะว่าไฟฟ้าไม่ติดไม่รู้จะทำอย่างไรนักศึกษามาถึงดึกกว่ากำหนดการเสียงรถแปดแปตรงตามผีบอกเราทายสู้ผีไม่ได้เมื่อเข้ามาถึงก็บอกอาบน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยทานข้าวเขาก็บอกหิวจังเลยถ้าหิวก็กินก่อนอา้าว ก็เลยรับประทานอาหารก่อนเสร็จแล้วก็ปฐมนิเทศเพราะว่าพรุ่งนี้ร้อยตำรวจโทชานมนูนธรรมจะมาตอนนั้นอธิบดีสมพรเทพสิทธาเป็นประธานยุวพุทธก็มีคุณอานวยอินทร์พูดมีหลายท่านพวกนั้นรู้หมดเขาจะมากันพอดีตอนเช้ารับโทรเลขจากจังหวัดแจ้งความให้ทราบว่าร้อยตารวจโทชานมนูนธรรมมาไม่ได้น้าท่วมกรุงเทพต้องไปช่วยราษฎรอธิบดีสมพรเทพสิทธาก็เลยเป็นประธานแทน พอทานอาหารเสร็จอาบน้ำเสร็จอาตมารเรียกคณะอาจารย์ก็มีอาจารย์สมเด็จมุงเมืองแล้วก็อาจารย์หญิงอีก3คนแล้วก็พระปริญญาโทก็อ่านบันทึกที่ได้บันทึกไว้ให้ฟังคณะอาจารย์น้ำตาร่วงเลยจริงตามนี้ทุกประการ อาจารย์สมเด็จบอกหลวงพ่อครับพอเปิดอบรมแล้วผมขอฝากนักศึกษาไว้ผมจะไปงานศพของวิโรธในวันที่23ตุลาคมก็เลยให้เอาบันทึกไปพิมพ์แจกในงานศพนั้นด้วยเรารู้เรื่องขึ้นมาทันทีเลยไม่ใช่เขาเล่าให้ฟังก่อนแล้วเราไปเล่าตามเขามันก็เกิดมหศัศจรรย์ขึ้นมาแบบนั้น นี่แหละญาติโยมทั้งหลายโปรดถามวิทยาลายัยครูเชียงรายนี่อาตมาก็บอกเข้าไปก่อนบอกไม่ตายตรงโน้นจะไปตายที่เขื่อนทำให้คณะอบรมมาอบรมไม่ได้ถ้ามาจมน้ำตายเลยรถชนตายซะมันสะดวกดีและเขาได้มาก่อนมาคออยู่ที่นี่ก็มีประโยชน์ดี เล่าเรื่องวิญญาณรายงานตัวเนื่องจากว่านายวิโรธเขาได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วสติของเขาจึงดีอาตมาก็ถามเขาที่เข้ามานี้ปวดมากไหมเขาบอกว่าหลวงพ่อแวบเดียวเลยผมไม่รู้เรื่องเลยและผมก็มายืนอยู่ตรงนี้แหละครับ และไปพูดกับเขากับผู้อื่นเขาก็ไม่พูดด้วยเพราะว่าเขามองไม่เห็นนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ถูกจดบันทึกนะคะโดยพระเลขาของหลวงพ่อจรัย์ิตะธรรมโมนะคะที่เล่าเรื่องราวของวิญญาณคุณวิโรธค่ะที่เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงรายพร้อมกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะะจากทางรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักยานยนต์แต่ว่าพอเสียชีวิตเสร็จปุ๊บ วิญญาณของเขาก็ไปดูร่างของเขาดูการเก็บศพดูการทำศพจนถึงการสวดแล้วก็แวบมาที่วัดอัมพวันโดยส่วนตัวบีเองก็เชื่อนะคะว่าเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าผู้ที่บอกเล่านั้นเนี่ยก็คือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมแห่งวัดอัมพวันนั่นเองนะคะ